ก็กราบบูชาพระรัตนตรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนถวายความกรบมุบรายังอาจารย์วัฒนชัยเขาโอกาสเพื่อนสาธรร ม, มิกเจริญพรมันยังไม่ชีแล้วก็นักปฏิบัติธรรมทุกท่าน <c oughs> ก็นั่งกันตามปกติเนาะออวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่8ปมีนาคม นะพุทธศักราช 2,559 นะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาร่วมกันไหว้พระสวดมนตนะ์ซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันของวัดป่าสุขโตนะก็ช่วงนีนะ้ก็มีคนอยู่ไม่มากนักนะช่วงที่ผ่านมาก็มีทั้งคนจีนมีทั้งนักศึกษานะมาร่วมปฏิบัติธรรม หลายคนก็อาจจะมีความรู้สึกนะที่แตกต่างกันออกไปนะช่วงที่คนมามากๆ ก, ก, ก็อาจจะรู้สึกคึกคักนะรู้สึกมีชีวิตชีวาช่วงนี้คนไม่เยอะคนไม่มากมีคนน้อยๆก็อาจจะรู้สึกเงาๆ ว, ว, นะวะาเวบ้างถ้าเราไม่รู้เท่าทัน นะแต่ถ้าคนที่ฝึกจิตมาแล้วคนที่ฝึกสติมาแล้วไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นไปยังไงเราก็ปกติเฉยเฉยคนจะมากคนจะน้อยไม่มีผลนะต่อจิตใจที่เป็นปกติ <c oughs> ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะสังเกตได้เพราะฉะนั้นการที่เราได้ตื่นมา มาร่วมกันไหว้พระสวดมนตนะ์ตรงนี้ก็เป็นการที่เราได้มา <c oughs> ทบทวนนะสิ่งที่เราได้เรียนรู้หรือบางทีบางคนเพิ่งจะมาใหมนะ่ก็ได้มาเรียนรู้นะจากบทสวดมนต์ฝึกเจริญสตินะกับการไหว้พระสวดมนต์การที่เราตื่นมาเช้าเนี่ยอย่างน้อยนะมันก็เป็นการฝึกให้เรา ไม่สยบยอมกับความสุขสบายในการนอนแลนะ้เราตื่นขึ้นมาเรามาทำกิจวัตรประจำวันคนจะมากจะน้อยไม่สำคัญแต่เราเป็นคนหนึ่งนะที่จะมาทำสิ่งนี้การมาไหว้พระสวดมนต์เนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยได้มาทบทวนคำสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้น้อมนำนเอาไปปฏิบัติเราไม่ได้สวดไปเปล่าๆโดยไม่รู้ความหมายเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคนไทยเป็นจำนวนมากฟังคำพยากรณ์ของโหนของหมอดูเขาบอกว่าในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะ เป็นวันที่ดาวมริตยูมาทับกับดวงเมืองนะก็คือราศีเมฆดวงเมืองก็คือการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งในรอบ8 4ปีนะจึงจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้หลายคนก็หวั่นไหวหมอดูก็ทํานายทายทักนะว่าจะเกิดเหตุนั้นเหตุนี้จะเป็นทางดีก็ได้เป็นทางร้ายก็ได้ วัดบ้างวัดก็เลยเปิดโอกาสนะจัดกิจกรรมให้มีการสวดมนตนะ์โดยเฉพาะสวดอ น, นันตะละคณสูตรบ้างธรรมาจักปัฏานสูตรบ้าง <c oughs> รู้ความหมายบ้างไม่รู้ความหมายบ้างมีทั้งดารามีทั้งผู้มีชื่อเสียงมีทั้งประชาชนที่รู้สึกว่าเออ มันจะเกิดเรื่องไม่ดีมั้งนะรู้สึกจิตใจไม่ค่อยสบายาก็ไปสวดมนต์ก็ดีเหมือนกันนะการไปสวดมนต์อย่างน้อยๆก็ทำให้จิตใจสบายนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่พยายามที่จะแก้ทุกข์ได้ทางหนึ่งเหมือนกันแต่การสวดอ้อนวอ น, นเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดนบันดาลเนี่ย อันเนี้ยมันเป็นการบันเทาเขาบอกเหมือนเราเป็นไข้เจ็บป่วยแต่เราไม่ได้หาสาเหตุมันว่ามันเกิดจากอะไรเรากินยาพาราแก้ปวดไปโรคนะก็ไม่หายหรอกการที่เรามีความทุกข์อกทุกข์ใจการที่เรากลัวการที่เราวิตกกังวลแล้วเราก็ไปสวดอ้อนวอน นะรู้ความหมายบ้างไม่รู้ความหมายบ้างและเราไม่ได้เอาสิ่งที่ได้สวดมนนั้นนะมาน้อมนํามาปฏิบัติมันก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่สิ้นสิ้นเชิงเป็นการบรรเทาไปเท่านั้นเองซึ่งตรงเนี้ก็ดีเหมือนกันนะแต่มันมีที่ดีกว่านั้นดีกว่านั้นก็คือการที่เรานําสิ่งที่พระพุทธองค์เนี่ย ได้กล่าวเอาไว้และเอามาปฏิบัติให้เกิดขึ้นกับตัวเรานะซึ่งเราสาธยายพลไปเมื่อสักครู่เนีนะ้พูดถึงเรื่องความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์การแก้ปัญหาด้วยความทุกขนะ์ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นการที่เรามีความทุกข์ขึ้นมาในอกในในจิตในใจแล้วเราแก้ปัญหาด้วยการปฏิบัตินะโดยเพราะ <c oughs> การฝึกเจริญสติที่เราได้มาฝึกกันที่วัดป่าสุกโตจริงๆแล้วโดยในหลักของการศึกษาหรือศิกขาเนี่ยในแง่ค า, า, ารวะเนี่ยเราจะพูดถึงทานศีลภาวนาแต่ในแง่ของนักบวชเนี่ยเราจะพูดถึงศีลสมาธิปัญญาทั้งทั้งส่วนของทั้งสามอันเนี้ย เป็นเรื่องของการที่ต้องกระทำลงไปการแก้ทุกข์การออกจากทุกข์ไม่สำเร็จได้ด้วยการสวดอ้อนวอนแต่จะต้องกระทำลงไปซึ่งการสวดอ้อนวอนเนี่ยถ้าเราไปศึกษาพุทธประวัติก็จะทราบดีก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกก็มีการสวดอ้อนวอนเขาเรียกว่าศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์เนี่ยมีความเชื่อว่า ชีวิตของคนเราเนี่ยจะเป็นไปตามพรมลิธิตก็คือเชื่อพระพรมนะเส้ก็มีพระเจ้าอยู่สามสามองค์ที่เขาเชื่อกันพระพรมผู้สร้างนะพระศิวะผู้ทำลายพระนารายผู้รักษานะเาเรียกว่าตีมุรติซึ่งศาสนาพราหมณ์เนี่ยเกิดขึ้นมาก่อนศาสนาพุทธแต่ศาสนาพุทธเนี่ยมาเกิดทีหลังนะ แล้วก็เป็นการปฏิวัติระบบความเชื่อความคิดพระธองค์ไม่เชื่อว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันเป็นไปนตามผมลิขิต จ, จะดีจะร้ายมันอยู่ที่การกระทำเขาเรียกว่ากรรมมลิขิตกรรมมลิกิตเนี่ยเราจะต้องกระทำต้องกระทำลงไปไม่ใช่ไปสวดอ้อนวอนไปอาบน้ำในแม่น้าคงคาและอย่าทำให้สิ่งชั่วร้ายกระจัดเปล่าๆไป หรือการสวดอ้อนวอนเพื่อให้พระเจ้านะมาประทานพรให้มาดนบันดาลให้แต่เราต้องลงมือกระทำเท่นเราจนเราต้องขยันไม่ใช่ว่าจนเกิดมาจนก็จนไปตลอดไปไม่ใช่เราสามารถที่จะพลิกผันชีวิตของเราได้เรามีความทุกข์เราก็ไม่ต้องไปยอมจำนนกับความทุกข์เราศึกษามัน เราหาสาเหตุมันแล้วก็แก้ไขที่เหตุทกุก็จะหายไปนะเพราะนั้นการมีชีวิตที่ไม่ยอมจำนนเนี่ยเป็นชีวิตที่จะต้องใช้สติใช้ปัญญาคนเราเนี่ยนะที่มีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็อยู่ได้ด้วยสติและปัญญาซึ่งแตกต่างไปจากสัตว์ทั้งหลายที่มีเขี้ยวมีเล็บ มีการต่อสูนะ้มนุษย์อยู่ได้เนี่ยกี่หมื่นปีแล้วล่ะเทนะ่าที่วิทยาศาสตร์ของคนพบเท่าที่คนพบมนุษย์คนแรกนะประมาณ4ี่0 0กว่าปีถ้าเรายังมีสติปัญญาในการที่จะกระทําแก้ปัญหาความทุกข์ทั้งในจิตในใจความทุกข์ที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์จะอยู่รอด แม้ว่าดวงดาวมันจะเปลี่ยนแปลงไปดินฟ้าอากาศมันจะเปลี่ยนแปลงไปเราใช้สติใช้ปัญญาในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้เราก็สามารถจะอยู่ได้พอสมควรแต่ถ้าเราไม่ใช้สติปัญญาเราไปอาศัยพึ่งการบนบาลสารกล่าวพึ่งสิ่งแวดล้อมข้างนอกคิดว่าชีวิตมนุษย์อาจจะสูญสิ้นไป มันได้ดูเสาอ่ะมันปรับตัวไม่ได้มันอยู่ไม่ได้คนไทยในปัจจุบันที่เรียกว่าเป็นชาวพุทธเนี่ยถ้าเราดูๆให้ดีนะมันผสมปนเปกันไปนหมดนะมีทั้งพรามณ์มีทั้งพุทธมีทั้งผีพรามณ์นี่จะเด่นมากๆแต่เราบอกว่าเป็นพุทธการไปสวดอ้อนวอนการไปบนบานสารกล่าวการขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยน่ะนะ และมันเป็นการปลอบประโลมเป็นการบรรเทาความทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองเส้นตรงนี้เนี่ยเราแยกไม่ออกอาจะมามีโอกาสได้ไปประเทศอินเดียก็ยังเห็นเรื่องนี้อยู่พุทธศาสนาสูญสิ้นไปจากประเทศอินเดียเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าพราหมณ์เขากลื่นพุทธเขาบอกว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นปางหนึ่งของพระศิวะเออพระวิษณุ พระวิษณุเขาสร้างทฤษฎีนี้ขึ้นมาแหละเป็นปางที่เกพระวิษณุก็คือพระนารายณ์นั่นแหละนะแล้วก็ก็บอกวันเนี่นะคําสอนของพุทธศาสนาเนี่ยก็มาจากพระเวทนั่นแหละนะประมาณศตวรรษที่สนะิบคนที่ทําเรื่องนี้ขึ้นมามีชื่อว่าสังกาจาร์เป็นคนที่เก่งมากในตอนนั้นพุทธศาสนาเราก็เสื่อมคนมีปัญญาเราไม่มี นะเรียกว่าอนะ่อนแอมากใะประมาณพีพีพันเก่อนที่มุสลิมเขาจะบุกเข้ามาทำลายล้างสิ่งต่างๆกลับมาดูปัจจุบันเมืองไทยเราก็เป็นอย่างนั้นเราเชื่อโชคลางเราเชื่อโชคชะตาดวงดาวต่างๆ ต, ต, ตกอกตกใจเราไม่ได้กลับมาสู่หลักธรรมในทางพุทธศาสนาเราไปเชื่อพมลิขิตกันซะมาก ไม่เคยเชื่อในกรรมมรรคกิดกรรมมิรคกิจก็คือการกระทำการไม่สยบยอมกับดวงดาวสิ่งแวดล้อมต่างๆอะไรที่เป็นปัญหาค้นหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขลงไปซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคนที่เรารู้จักกันดีหลายคนนะพยายามที่จะเรียนรู้ความทุกข์การแก้ปัญหาทั้งในส่วนตัว ทั้งในส่วนของสังคมครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆนะที่เป็นพระก็ดีเป็นโยมก็ดีนะก็ได้นำสิ่งเหล่านี้มาเผยแพร่ด้วยภาษาร่วมสมัยอย่างหลวงพ่อเทียนก็ดีหลวงพ่อคำเขียนก็ดีสามารถแก้ทุกข์ในจิตในใจของท่านได้แล้วก็เอามาสั่งสอนเผยแพร่ต่อไปในส่วนสังคมเราก็จะเห็นคนที่มีชื่อเสีย ง, งต่าง พรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันที่ครบรอบ100ปีของดอกเตอร์ป่วยอาจารย์ป่วยอึ้งปากกรซึ่งยูเนสโกเนี่ยได้ประกาศให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกท่านก็เป็นคนหนึ่งเนที่ไม่ยอมจำนนกับชะตาชีวิตแม้ว่าฐานะจะไม่เคยดีแต่ท่านก็พยายามที่จะเร่าเรียนศึกษาจนมีความรู้จบดอกเตอร์ทางด้านเศรษฐศาสตร์จากอังกฤษ นะ London School of Economics นะซึ่งเป็นสถาบันชั้นเรียกว่าแนวหน้านะของโลกแล้วนำความรู้นั้นมาช่วยเหลือสังคมนะทำให้ระบบเศรษฐกิจของไทยโดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทยนะมีความมั่นคงมากเข้มแข็งมากแล้วก็ยังนำนักศึกษาไปออกชนบทไปช่วยเหลือชนบท นะด้วยลักษณะของบันฑิตอาสาบ้างมูลนิธิพัฒนาชนบทบ้างอันนี้เป็นตัวอย่างอั น, นหนึ่งของคนที่ไม่ยอมจำนนกับชะตาชีวิตภ ม, มิผลิขิตแต่ท่านลงมือทำรรและท่านเชื่อว่าธรรมะนี่แหละหที่จะเป็นสิ่งที่จะนำทางในการดำเนินชีวิตในการแก้ปัญหาของสังคมท่านเสนอแนวคิดที่เรียกว่าสันติประชาธรรมเดี๋ยวนี้เรารู้จักแต่ประชาธิปไตย นะรู้จักแต่คณาที่ปิปไตยรู้จักแก่การะะรัตปปะหารแต่ไม่ได้พูดถึงสันติประชาธรรมซึ่งท่านอาจาธธรย์พุทธทาสก็เคยพูดไว้นะทมิกะสังคมนิยมนะนี้ก็เป็นการที่เราพยายามที่จะประยุกต์เอาธรรมะเนี่ยมาใช้กับสังคมเพราะนั้นการไม่ยอมจำนนเนี่ยมันจะทำให้เกิดสติเกิดปัญญาในการแก้ปัญหาชีวิตในการแก้ปัญหาสังคมได้เพราะฉะนั้นการที่เราได้มา เรียนรูนะ้มาเรียนรู้เรื่องธรรมะเนี่ยเราสามารถใช้ทั้งในส่วนในส่วนตนแล้วก็ในส่วนรวมเรียกว่ามันเป็นทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์โดยรวมนะประโยชน์ผู้อื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราสวดสาธยายมนเนี่ยก็เพื่อที่จะน้อมนาสิ่งเหล่านี้มาใช้กับชีวิตในการปรับปรุงแก้ไขความทุกข์ปัญหาต่าง เราไม่ได้สวดมนต์เอาขลังเอาศักดิ์สิทธิ์นะหรือว่าให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาโดนบันดาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดมีอยู่ในตัวเราแล้วก็คือตัวสติตัวปัญญานี่ยแหละตัวสติตัวปัญญาเนี่ยนะเป็นคุณสมบัติของใจถ้าเราทําดีใจก็ดนะีใจดีก็ทําดีทดําดีพูดดีคิดดีถ้าใจไม่ดี คิดก็ไม่ดีพูดก็ไม่ดีทำก็ไม่ดีอย่างที่เราสาธยาย เ, เมื่อสักครู่นีใจสำคัญที่สุดแต่เดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่อะไรสำคัญที่สุดเงินใช่ไหมเรายอมที่จะทุจริตคอร์รัปชันเพื่อจะให้ได้เงินมาโกงเขาผิดศีลผิดธรรมซึ่งตรงนี้มันทําให้จิตใจของเราเนี่ยมันเกลือกกลั่วไปกับสิ่งที่ ไม่ดีไม่งามแล้วถ้าเราทำบ่อยๆมันจะเกิดเป็นนิสัยจนมีคําพูดว่าโกงถ้าเราไม่โกงคนหนึ่งเขาก็โกงเพราะฉะนั้นเราต้องรีบโกงซะ ก, ก่อนอะไรอย่างเนี้ยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากในแง่ของชาวพุทธดึกโกงร่วมกันก็ได้แต่ให้เราได้รับประโยชน์กันแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นวิกิจการ วิกฤตศรัทธาวิกฤตในด้านสติปัญญาของชาวพุทธในประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งพระอาจ า, ารย์ไพศานก็เคยได้พูดไว้เหมือนกันนะว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นปัญหาในสังคมเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องพุทธศาสนาที่เป็นแก่นแท้และไม่ได้นำเอาพุทธศาสนาไปใช้จริงๆเราเพียงแต่รู้กันในพิธีรีตองนะเรียกว่า สิ่งที่เป็นรูปแบบเท่านั้นเองซึ่งตรงนี้นก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแล้วถ้า <c oughs> เราไม่แก้ไขปรปับปรุงเนี่ยอตมาเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยจะสูญสิ้นพุทธศาสนาในส่วนของแก่นแท้ไปจะมีแต่พิธีกรรมมีแต่พิธีรีตองก็เป็นส่วนเปลือกแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเปลือกไม่ดีนะก็ดีแต่ว่า เมื่อเราเข้าถึงเปลือกก็ต้องเข้าถึงแก่นแก่นก็คือการปฏิบัตินะโดยเฉพาะการปฏิบัติในส่วนของจิตใจการทำจิตภาวนาการทำปัญญาภาวนาการเจริญสตินี่แหละนะการมีศีลมีธรรมอันนี้เป็นเรื่องที่จะช่วยทำให้พุทธศาสนาดำรงคงอยู่ได้แล้วก็จะเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราและก็สังคมด้วย การมาอยู่วัดป่าสุโกโตเนี่ยก็เป็นสถานที่หนึ่งที่เราพยายามที่จะสนับสนุนเรื่องนี้คนที่มาวัดป่าสุขกโตเนี่ยจะต้องมีโอกาสในการได้ฝึกจิตฝึกใจด้วยการเจริญสติซึ่งรูปแบบของการเจริญสติที่นี่ก็จะเป็นการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวไม่ต้องนั่งหลับตาลืมตาใช้อิริยาบถคือการเคลื่อนไหวเป็น เครื่องหมายนาในการที่เราจะได้ใจเนี่ยมันอยู่กับเนื้อกับตัวความทุกข์ของคนเราส่วนใหญ่เกิดจากการไม่รู้เท่าทันความคิดหลงไปในความคิดหลงไปในอารมณ์ต่างๆเดี๋ยวพอใจบ้างเดี๋ยวไม่พอใจบ้างเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไปอยู่ในความสุขบ้างในอยู่ในความทุกข์บ้างความพอใจไม่พอใจบ้าง ไปอยู่กับเรื่องราวในอดีตไปวิตกกังวลกับอนาคตไม่ได้อยู่กับปัจจุบันตรงนี้เลยทําให้จิตใจของเราหวั่นไหวมีอะไรนิดอะไรหน่อยเราก็รู้สึกวิตกกังวลไปไปฟังคานายทายทักของหมอดูบ้างโหนบ้างก็ทำให้วิตกกังวลแต่ผู้ที่ฝึกสติมีจิตใจมั่นคงเขาก็จะรู้แล้วก็ไม่ประมาท ในชีวิตไม่ต้องไปรอให้หมอดูมาดูไม่ต้องไปให้โหวนว่าเรายอมรับเลยว่าชีวิตของเราแต่ละขนานแต่ละขนาดมันมีความทุกข์เป็นธรรมดาทุกกายกด็ดีทุกใจกด็ดีความทุกข์เหล่านี้มันเกิดจากอะไรทุกกายอาจจะเกี่ยวกับอุณหภูมิเกี่ยวกับอากาศนะหรือความไม่พอเหมาะพอดีของท่าทั้ง4ี่ มันก็เจ็บป่วยได้ทุกใจเกิดจากอะไรเกิดจากการที่ไม่รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองไม่รู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งเรียกว่าอาวิชชาก่อให้เกิดสังขารก็คือความคิดปรุงแต่งต่างๆถ้าอย่างนั้นเราจะแก้อย่างไงเราก็ต้องแก้ตรงที่ความไม่รู้นั่นะไม่รู้จิตรู้ใจไม่รู้จักอารมณ์ไม่รู้จกัจากกายการแก้ก็คือการกลับมารู้เนื้อรู้ตัว การมีสติสัมปชัญญะซึ่งตามหลักที่ เ, เราได้ยินได้ฟังก็คือหลักสติปัฏฐานสกายเวทนาจิตธรรมมารู้ที่กายมารู้เวทนามารู้ที่จิตนะมารู้ที่ธรรมกายคืออะไรหยับหย บ, ยบก็คือกายมันเคลื่อนมันไหวนะกายมันนิ่งให้เรารับรู้มัน จะยกมือจะเดินจงกรมจะทำอะไรให้มีความรู้ตัวอยู่กับสิ่งที่ทำอยู่เฉพาะหน้ายังขณะที่ฟังอยู่ขณะนีน้ถ้าเราไม่ง่วงหลับง่วงนอนนะเราตื่นรู้อยู่เรารู้ตัวว่าเรานั่งอยู่ใครยกมือแล้วก็รู้รู้ว่ามือมัอมนพลิกมือมันยกมือมันเคลื่อนมือมันหยุดแปลงฟันก็ได้รู้กับการแปลงฟัน มันคิดอะไรขึ้นมาทิ้งไปก่อนใหม่ๆนยอย่าเพิ่งไปยุ่งกับความคิดให้รู้เท่าทันกายที่เคลื่อนไหวก่อนมันเป็นของห ย, ยาบๆถ้าเรารู้ทันกายเคลื่อนไหวเดี๋ยวมันไปรู้จิตที่คิดตเองกายเนี่นอกจากกายเคลื่อนกายไหวรับความเจ็บความปวดที่มันแสดงออกมาก็อย่าไปหนีมันเรียนรู้มันเห็นมันมันเกิดขึ้นแล้วมันเสื่อมไปยังไง มันมีปวดเดี๋ยวมันก็มีหายปวดส่วนใหญ่เนี่ยเราเห็นแต่เกิดคือมันปวดแล้วเราก็เปลี่ยนเลยเราไม่ดูมันเห็นมันดับอย่างคนมาปฏิบัติใหม่ๆส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเมื่อเห็นกายก็เป็นเวทนาเวทนาคือความพอใจไม่พอใจนะหรือปกติเฉยๆซึ่งตรงนี้เนี่ยมันต้องอาศัยการสังเกต ตัวสังเกตตัวที่รู้คือความรู้สึกตัวไม่ใช่ความคิดนะการเรียนธรรมะไม่ใช่ความคิดเลยนะใช้ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ที่มันมีเนี่ยมันเป็นสติเป็นความรู้สึกตัวสา ม, มัญเรามาทำกรรมฐานมาเจริญสติเพื่อพัฒนาตัวความรู้สึกให้มันไวขึ้นให้มันรู้เท่ารู้ทันสิ่งที่เราไม่เคยสนใจเช่นการเคลื่อนการไหวการเดินการเหิน การคิดกันนึกอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี่เขาเรียกว่าเวทนาถ้าเรารู้ชาติกายมันจะไปรู้เวทนาส่วนที่สมคือจิตจิตนี่ก็คือความคิดนึกมันคิดนึกเรื่องราวต่างๆซึ่งมันไวมากไวกว่าแสงเขาบอกแสงเนี่ยไวที่สุดในโลกนั้นนะความคิดนี่ไวกว่าแสงอีกแต่มีสิ่งที่ไวกว่าความคิดคือความรู้สึกตัวสิ่งนี้เจ้าชายจาคนพบ เมื่อวันวิสาขบูชาแล้วก็ได้เผยแพร่ต่อมาครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆก็เอาเรื่องนี้มาพูดเป็นส่วนใหญ่รู้ทันความคิดความนึกคิดในเรื่องราวต่างๆอยู่ที่นี่นะทั้งตั้งใจคิดและไม่ตั้งใจคิดเนี่ยวางไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปสนใจมันตรงนี้มันจะทําให้ความคิดพลังของความคิดเนี่ยอ่อนกําลังลง ความรู้สึกตัวจะมีพลังมากขึ้นแล้วไม่ต้องกลัวนะว่ากลับไปเราจะคิดไม่เป็นไม่มันจะเกิดการจัดระเบียบความคิดจะคิดก็ได้ไม่คิดก็ได้แต่ก่อนเราไม่เคยเลยที่จะควบคุมมันได้จัดระเบียบมันได้มันคิดไปเรื่อยเปื่อยใจเราก็ไปอความคิดจะนอนแล้วยังคิดอีกใช่ไหมชีวิตมันเป็นอย่างนั้นใช่ไมถึงเวลาที่เราจะปลดปล่อยให้เป็นอิสระ ให้ใจมันเป็นอิสระจากความคิดปรุงแต่งเสียทีมันจะได้พักบ้างใจของเรามันเหน็ดเหนื่อยกับความคิดมามากแล้วตัวที่จะช่วยตัวนี้ก็คือความรู้สึกตัวตัวสตินี่เองเมื่อเราเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตมันจะเป็นตัวสุดท้ายคือธรรมคาว่าธรรมคือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตในใจของเราหรือแม้แต่ที่กายของเรา ทำที่จะเห็นได้ง่ายๆเลยสําหรับคนเริ่มต้นใหมายคือนิวรธรรมความง่วงเหงาหงานอนความเบื่อหน่ายความฟุง้งซ่านนะความอึดอัดนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้มันจะเป็นธรรมะที่มันแสดงออกมาเป็นอาการของจิตของใจเป็นอาการของกายที่มันแสดงออกมาเราจะนี้มันนะเรียนรู้มเลยดูไปเลยทรมานหน่อยลําบากหน่อยแต่อันเนี้ย เป็นตัวที่เราจะได้เรียนรู้ปัญญามันจะเกิดจากตรงนี้นะปัญญาไม่ได้เกิดจากการคิดการนึกการจดการจําตํำรับตําราแล้วมาเทียบเคียงไม่ใช่แต่ปัญญาที่เกิดจากการเห็นอาการของกายของใจที่มันเกิดขึ้นเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเห็นการที่เราไม่สามารถบังคับบัญชาได้ในภาว่าตาตลักษณนั่นแหละอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยเห็นบ่อยๆ มันจะเกิดความเอื่มละอาเกิดความเหนื่อยหน่ายเกิดการปล่อยการวางการปล่อยวางเนี่ยเราไม่สามารถปล่อยวางด้วยความคิดแต่เกิดจากประสบการณ์ที่เราได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วมันเกิดการเอื่มละอ า, าที่เราเข้าไปยึดไปถือมันเราไปยึดไปถือเป็นอุปทานนั่นแหละนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเรารู้จักปล่อยรู้จักวางทีละนิดทีละหน่อยทาบ่อยๆทาเรื่อยๆ เราจะได้พบกับอิสระภาพของใจใจธรรมชาติมันเป็นอิสระแต่เป็นอิสระที่ไม่ใช่คิดไปเรื่อยเปื่อยนะเป็นอิสระจากความคิดความนึกจากสิ่งปรุงแต่งต่างๆแล้วมันจะมีสภาพที่เป็นปกติเฉยๆอย่างขณะที่เรานั่งฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยให้สังเกตดูดิใจเราเฉยๆไหมโกรธไหมไม่โกรธหงุดงิดไหมไม่หงุดงิด แต่จะมีง่วงง่วงางนิดหน่อยโดเพราะคนที่ไม่คุ้นเคยกับการตื่นตอนเช้าก็ให้รู้มันแต่ถ้าเราไม่ง่วงเราตื่นเนี่ยคือสภาพของจิตที่มันเป็นธรรมชาติเดิมแท้ยิ่งแต่เราได้สาธยายมนเราได้มีสติมีความรู้สึกตัวกับบทสวดมนเรามีความเบิกบานใจได้ละลึกถึงสิ่งที่เป็นกุลงามความดีพระพุทธธรรมประสง ได้แผ่เมตตาให้กับสบรรพชีวิตทั้งหลายจิตใจมันก็เบิกบานแช่มชื่นบางคนอาจจะรู้สึกขนลุกขนชันขึ้นมาก็ได้ปิติขึ้นมาแต่สิ่งเหล่านี้อย่าไปติดมันนะเพียงรับรู้รับรู้แล้วก็ผ่านอารมณ์ทุกๆอารมณ์ที่เกิดขึ้นให้รู้และผ่านอย่าไปกักหังไปอยากได้บางคนมาปฏิบัติอยากให้มันสงบไม่อยากจะคิดอะไร นะอันนี้ก็ไปบังคับมันนะยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็เรียนรู้มันตรงไปตรงมาไม่ต้องใช้ ร, รมบริกรรมไม่ต้องไปนั่งสงบตื่นรู้สงบมีสองอย่างหนึ่งสงบแบบตื่นรู้อันที่สองสงบแบบนิ่งส่วนใหญ่คนที่ฝึกกรรมฐานเนี่ยไปติดที่สงบนิ่งสงบนิ่งคือนั่งหลับตาปิงไม่คิดอะไรเลยอะไรอย่างนั้น อันนี้เป็นการกดข่มถ้ากำลังสมาธิพอมันกดข่มไม่ได้แต่กำลังสมาธิไม่พอจะฟุ้งซ่านมาอันนี้สองสงบแบบตื่นรู้อย่างขณะที่เรานั่งฟังอยู่นี้ใจเราก็ไม่โกรธใจเราไม่ก็งุนหงิด ỉ, ใจเรามันปกติเฉยเฉยมันตื่นรู้อยู่อันนี้เขาเรียกว่าสงบแบบตื่นรู้ซึ่งสงบชนิดนี้แหละที่เราจะไปใช้ในการในงานใช้ในการใช้ชีวิต และสามารถที่จะมีได้ในทุกขณะทุกเวลาทุกสถานที่แม้ภายนอกมันจะมีเสียงอึกระทึกคึกโคมแต่ใจเราก็สงบได้มันเป็นความสงบที่เกิดจากการที่เรารู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งไม่ใช่สงบเพราะสิ่งแวดล้อมมันเงียบเหมือนวัดป่าสกโตเรามาใสา่สถานที่นี้ <c oughs> อาศัยสถานที่สงบเพื่อเราจะได้มาสงบกับ ภายในจิตในใจของเราด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยาการที่เรามาเรียนรู้มาฝึกฝนอบรมก็เพื่อสิ่งนี้เพื่อสัมผัสกับความเป็นปกติของจิตของใจที่มันมีอยู่แล้วแล้วอันนี้แหละคือความสุขที่แท้จริงส่วนใหญ่ปัจจุบันเราไปหาความสุขจากวัตถุข้างนอกจากบุคคลจากสิ่งแวดล้อมซึ่งมันไม่แน่นอน มันต้องมีความพเหมาะพอดีแต่ความสุขที่เกิดจากการรู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งแล้วเกิดการปล่อยวางจิตใจเป็นอิสระกลับคืนสู่ธรรมชาติเดิมแท้ของจิตนี่แหละสิ่งนี้ทำให้เรามีชีวิตที่ผาสุขแล้วก็ <c oughs> ทำให้เราเป็นปกติสุขได้ไม่บ้าไม่เป็นโรคประสาทไม่เครียด คนปัจจุบันเป็นโลคเครดกันเยอะเพราะไม่รู้จักตัวนี้ไปวิ่งหาความสุขจากข้างนอกเสียเงินเสียทองมากมายต้องเหน็ดเหนื่อยกับการหาเงินหาทองมาบำรุงบำรเรอหาวัตถุข้างนอกมาปลนเปลอแล้วมันก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงมันชั่วครัง้งชั่วขาวเท่านั้นเองแต่ถ้าเราสัมผัสกับความสุขที่มนจิตในใจของเราอย่างนี้แล้วเนี่ยตรงนี้แหละทําเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องเสียสตังค์ด้วย เงินทองชีวิตเราจะไม่เหน็ดเหนื่อยเราจะมีชีวิตรู้จักความพอเหมาะพอดีของชีวิตของการกินการอยู่การใช้ชีวิตไม่ต้องไปวิ่งตามกระแสะสังคมไม่ต้องไปเชื่อคําโฆษณาของนักการตลาดนักธุรกิจทั้งหลายที่เขามาเสนอว่าไอเนี้ยดีนะไอนั่นดีนะไอเนี้ยจะให้ความสุขนะโมทั้งนั้นแหละมันหลอกเอาตังในกระเป๋าเลยหมดละเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เนี่ย ถ้าเราไม่สามารถจ่าความสุขยนิดนี้ได้เนี่ยโอ้โหชีวิตเราเหนื่อยเครียดเงินไม่พอใช้หรอกเพระาะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะก็ขอให้เราได้ที่มาเรียนรู้เรื่องนี้มาฝึกฝนเรื่องนี้แต่การฝึกฝนเนี่ยมันต้องอาศัยความอดทนหน่อยนะมันจะมีความยากลางบากในการที่เผชิญกับอารมณ์ความทุกข์นิสัยเก่าๆ ก, ก, การทำอะไรตามความเคยชินเก่าๆ มันต้องฝืนหน่อยลำบากหน่อยแต่มันคุ้มค่านะความทุกข์เนี่ยจะสอนให้เรามีปัญญาแต่ความสุขเนี่ยมันจะพาให้เราหลงดังนั้นาการฝึกเนี่ยใหม่ๆมันจะลำบากหน่อยนะมันมีความทุกข์หน่อยนะขอให้มีความอดทนให้มีความเพียรความพยายามใช้เวลาที่มีอยู่ที่นี่ให้เกิดประโยชน์ในการที่จะกลับมารู้สึกตัวบ่อยๆ ทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบในรูปแบบคือเดินจงกรมสร้างจังหวะนอกรูปแบบก็คือพยายามที่จะรู้สึกตัวในกิจวัตรประจําวันตั้งแต่ตื่นยันหลับจะล้างหน้าแปลงฟันอุด จ, จะ ร, ระปัะสวะกินดื่มพูดคิดใส่ความรู้สึกตัวเข้าไปอย่าทําไปแบบตามความเคยชินเล็กๆในน้อย ทีละนิดทีละหน่อยเดี๋ยวสติมันจะตื่นมันเองถ้าเราทําบ่อยๆมันจะเกิดนิสัยแห่งความรู้สึกตัวขึ้นมาตรงเนี้แหละเราจะไปใช้ได้เพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทนะชีวิตของเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยได้พบพระพุทธศาสนาเนี่ยอย่าให้เสียโอกาสในการที่เราจะมาทําความรู้สึกตัวนะเพื่อได้สัมผัสกับความเป็นปกติของจิตของใจ แลนะซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดในพระพุทธศาสนาแลนะที่เราสามารถจักทำได้ในชีวิตนี้อย่าไปรอเอาตายแล้วหรือไปรอชาตินูน้นชาตินี้เอาชาตินี้เลยไม่ต้องรอเมื่อเรามีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาทุ่มลงไปเลยทำลงไปเลยมันเหนื่อยมันหนักมันเครียดก็ปรับเปลี่ยนแก้ไข ถ้ามันหนักนักก็ปรับให้มันพอเหมาะพอดีตึงเกินไปเครียดเกินไปปรับให้มันพอเหมาะพอดีตรงเนี้มันจะทำให้เกิดความพอเหมาะพอดีเกิดความสมดุลขึ้นมาแล้วมันจะเกิดการเจริญก้าวหน้าในสติและปัญญาที่มันมีอยู่ <c oughs> เราไม่ต้องไปรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดลบันดาลเรากระทำด้วยตัวเราเองชีวิตอย่างนี้เป็นชีวิตไม่สยบยอมเป็นชีวิตที่ กระทำด้วยมือเราเองด้วยสติด้วยปัญญาของเราเองตรงนี้มันจะช่วยทำให้พุทธศาสนาอยู่ได้ในโลกนี้ในประเทศไทยถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราไปมัวสวดอ้อนวอนไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนพรามกลืนไปหมดแล้วนะประเทศไทยเดี๋ยวนี้โดนพรามกลืนไปหมดแล้วนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้นในเช้าวันนี้ ในท้ายที่สุดนี้ขออ้างอิงเอาคุณของพระสีรัตรนไตรยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแลนะก็คือสติสัมปชัญญะที่มีอยู่ในตัวเราพระธรรมคือสจธรรมความจริงที่แสดงปรากฏทั้งในส่วนกายส่วนใจแล้วก็สภาพแปดล้อมต่างๆพระสงฆ์ก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราการที่เรามาพยายามที่จะเจริญสติ เห็นความจริงของกายของใจของสิ่งต่างๆแล้วเกิดการปล่อยการวางเพราะนั้นพระรัตนตรตยอยู่ในตัวเราก็คือพระพุทธประธรรมพระสงค์ด้วยความศรัทธาความเพียรสติสมาธิและปัญญาที่เรียวกว่าพละหา้าขอให้ทุกท่านเนี่ยได้กระทำให้ต่อเนื่องต่อไป ก็คงจะทำให้เป็นปัจจัยเป็นพละัลปัจจัยหนุนนำให้ทุกท่านได้ถึงซึ่งความผาสุขเรียกว่าสุขเกษมสารมีพระนิพพานเป็นเป้าหมายสูงสุดในการเกิดมาเป็นพระพุทธในการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาในชีวิตนี้ในเรววันนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร